นาตั้งแต่ตั้งครรลูกมาจนลืมตามองดูโลกนี้แม่เฝ้าอุ่มชูเลี้ยงดูลูกเป็นอย่างนี้ริหามตายไรหามเสียดสีรักลูกนี้กว่าชีวารักคุณของแม่เพื่อแพยยิ่งใหญ่ไพศาล สุดฟ้าสุดจักรวาลไม่เปรียบานแม่ได้เลยนะมาหาสมุทรสุดลึกกวามสุดลูกตาไม่เท่ากับพระคุณมาดาเลือค่ายิ่งกว่าสิ่งใดใครลืมคุณแม่คนนั้นก็แย่เต็มทน าบาคลำบนแม่ทนเหนอใครยดไหลหาเงินเลี้ยงลูกจนใหญ่ไม่แหนงนายเมื่อ น, นี้จงคิดใครควรวนเราัวน้อมกะตันอยู่เขารบผูชาเชอชูแม่คือ ัวลบลูรับผู้เป็นบุพการีผู้ก่อเกิดกำเนิดเรานี้ ก็แย่เต็มทนลูกชายหญิงขี่คนแม่ก็ทนเลี้ยงได้ลำบากลำบนแม่ทนเหลื่อใครยดไลหาเงินเลี้ยง ื h a ู้ h e c h แต่เรานี้ไม่คว n ลบลู i k h u ô ูเป็น r ุ p กา ù bên bùp bò cày. p เนิดเรานี้ที่มีช o ่อว่า ì ม่